รัชมบทภาคที่สบุพาวกวรรณนาเสนอเรื่องที่หนึ่งภิกษุห้ารรูปผู้ขวัญขวายในปฐวีกถาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุสาวัตถี ทรงปรารบภิกษุห้ารอรูปผู้ขวัญขวายในปฐวีกถาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโกอิมังปฐวิงวิเชษสติเป็นต้นดังได้สดับมาภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปในชนบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้า มาถึงพระเชตวันแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นเล่าถึงเรื่องแผ่นดินในสถานที่ตนไปแล้วไปแล้วว่าในสถานที่เป็นที่ไปสู่บ้านโน้นจากบ้านโน้นเสมอไม่เสมอมีเปือกตมมากมีกรวดมากมีดินดำมีดินแดงพระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องแผ่นดินในสถานที่พวกข้ามลงเที่ยวไปแล้วพระเจ้าาดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นชื่อว่าแผ่นดินภายนอกการที่พวกเธอ ทำบริกรรมในแผ่นดินภายในจึงจะควรดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิสองพระคาถานี้ว่าใครจากรู้ชัดซึ่งแผ่นดินนี้และหยบมโลกกับมนุษย์สโลกนี้พร้อมทั้งถิเ่าโลกใครจากเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนนายมัลาการผู้ฉลาด เลือกดอกไม้ฉะนั้นพระราสีขะจากรู้ชัิแผ่นดินและย ม, มโลกกับมนุษย์โลกนี้พร้อมทั้งเทยบโลกพระราสีขะจากเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนนายมาราการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ฉะนั้น บรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าโกอิมังความว่าใครจะรู้ชัดซึ่งแผ่นดินนี้กล่าวคืออัตภาพบทว่าวิเชติความว่าจักรู้แจ้งคือแทงตลอดได้แจ่ทําให้แจ้งด้วยยานของตนบทว่าย ม, มาโล ก, กันจะได้แจ่อบายโลกสี่อย่างด้วยสองบทว่าอิมังเสเดวการความว่า ใครจากรู้ชัดคือจากทราบชัดได้แจ่แทงตลอดทำให้แจ้งซึ่งมนุษย์โลกนี้กับเทวโลกด้วยพระาศาสดาย่อมตรัสถามดังนี้บาตรพระคาถาว่าโกธรรมประดังสุเดสิตังความว่าใครจากเลือกคือคัดได้แจ่พิจารณาเห็นแทงตลอดทำให้แจ้ง ซึ่งบทธรรมกล่าวคือโพธิปักขียธรรม37ประการที่ชื่อว่าอันเราแสดงดีแล้วเพราะความเป็นธรรมอันเรากล่าวแล้วตามความเป็นจริงเหมือนนายบาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้อยู่ฉะนั้นบทว่าเสโขเป็นต้นความว่าพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกตั้งต้นแต่ท่าน ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมรักษ์จนถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรักษ์ชื่อว่าพระเสขเพราะอย่างศึกษาศิกขาสามเหล่านี้คืออธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาคลาออกอยู่ซึ่งฉันทานราคะจากอรัตรภาพนั้นด้วยอรหัตมรักษชื่อว่าจักรู้ชัดคือจักทราบชัด ได้แจแทงตลอดทำให้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้กล่าวคืออันตรภาพบทว่ายมมโลกันจะเป็นต้นความว่าพระเศคาน้ น, นั่นแหละจักรู้ชัดคือจักทราบชัดได้แจกแทงตลอดทำให้แจ้งซึ่งยมมโลกมีประการอันกล่าวแล้วอย่างนั้นและมนุษโลกนี้กับทั้งเทวโลกทั้งหลาย ชื่อว่าพร้อมทั้งเทวโลกพราะผู้ยังต้องศึกษาเจ็ดจำพวกนั้นแหละชื่อว่าเสขะอธิบายว่านายมาลาการผู้ฉลาดเข้าไปสู่สวนดอกไม้แล้วเว้นดอกไม้ที่อ่อนและตูมที่สั์เจาะที่เหี่ยวและที่เกิดเป็นปมเสียแล้วเลือกเอาเฉพาะแต่ดอกไม้ที่งามที่เกิดดีแล้วชื่อฉันใด พรศาศสข่จักเลือกคือคัดได้แจ่พิจารณาเห็นแทงตลอดทำให้แจ้งแม้ซึ่งบทแห่งโพธิปัิยธรรมนี้ที่เรากล่าวดีแล้วคือแสดงดีแล้วฉันนั้นนั่นแหลพระศาสดา ท่งเฉลยปัญหาเองทีเดียวในเวลาจบเทศนาภิกษุห้าร้อยรูปบรรลุพระอหรหัสต์พร้อมด้วยปริสัมพิธาทั้งหลายแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แหลเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปผู้ขวัญขวายในปฐวีกถ า, าจบ